ยะถ า, าวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวเมวิโตทินังเปตานางอุปกะปะติอิชิตังปัิตังตุมหังกิปเมวะสมิจัตุสเปปูเรนตุสังกปาจันโธปนรารสสยถ า, ามณิโชติ ราสูยถ า, าสัพพิตโยวิวัชานตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสานิจังมุธาปจายิโนจัตตารธรรมาวาทานติ อายุวันโนสุ ข, ขังภาลังอายุวัฏทากาธนวัฏทากาสิริวัฏทากายสวัฏทากาพลวัฏทากาวันวัฏทากาสุขวัฏทากาหนตุสภทาทุกขโรขปยาเวราโสกาสัตตุจุปถวะอนเนกาอันตรายาปิวินาสสันตุจะเตสะสา ตยะสิทธิทานางลาพังโสธิภาคขยังสุขขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังมุตทีเจยสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตูเตภวะตูสับพระมังคลังรักขันตูสัพะพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสั พ, พธรรมานุภาเวนะสั พ, พสังคานุภาเวนะ ส, สัทสุถีภวันตุเต